ธรรมกาถาครั้งที่สิบตอนหมวดธรรมข้อว่าด้วยนิวรการปฏิบัติทางจิตใจนั้นมุ่งทาใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมถะและมุ่งอบรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเป็นวิปัสนาอาศัยวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้า ได้ตรัสบอกไว้ดังที่ได้กล่าวมาโดยลำดับแล้วเบื้องต้นก็ต้องปฏิบัติให้เป็นสมถะคือให้ใจสงบตั้งมั่นก่อนเมื่อพอใจอาณาปานสติก็ให้ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกดังที่กล่าวแล้วและให้คอยรู้เวทนารู้จิต เพราะในขณะที่ปฏิบัตินั้นเมื่อจิตยังไม่รวมอายตนะต่างๆก็ยังรับอารมณ์หูก็ยังได้ยินเสียงกายก็ยังรับสิ่งกระทบต่างๆและใจก็ยังไม่รวมแน่วแน่จึงมักจะมีอารมณ์มากระทบเช่นมีเสียงมากระทบมีสิ่งที่กายถูกต้อง มากระทบอยู่เสมอและก็จะรู้สึกเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างหรือเป็นกลางๆบ้างที่เรียกว่าเวทนาเวทนานั้นก็แล่นถึงจิตทันทีทุกขก็แล่นถึงจิตทําให้จิตไม่ชอบสุขก็แล่นถึงจิตทําให้จิตชอบกลางๆ ก, ก็แล่นถึงจิต ทำให้จิตหลงติดอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูให้รู้เวทนาให้รู้จิตประคองสติคือความกาหนดให้ตั้งมั่นแน่วแน่คราวนี้เมื่อประคองจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่อย่างนี้ถ้าความตั้งมั่นแน่วแน่นั้นไม่เกิดหรือว่าเกิด แต่ว่าคงที่ไม่ก้าวหน้าคือทำให้เกิดสมาธิขึ้นไม่ได้อะไรมาเป็นอุปสรรคทำให้เกิดสมาธิขึ้นไม่ได้ก็จะต้องรู้อุปสรรคอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่านิวรแปลว่าเครื่องกัน้นคอยกั้นจิตไว้ไม่ให้เป็นสมาธิ ฉะนั้นก็ควรจะรู้จักหน้าตาของนิวรณ์นิวรณ์นั้นมี5ข้อคือข้อหนึ่งกามันฉันความพอใจในอารมณ์ข้างนอกที่น่าใคร่น่าปรารถนาเมื่อยังมีฉันทะในอารมณ์ข้างนอกอยู่ก็จะคอยนาจิตให้ออกไปข้างนอกรวมเข้ามาข้างในไม่สาเร็จ จึงเป็นอันตรายข้อหนึ่งของสมาธิข้อสองพยาบาทความไม่ชอบความไม่ชอบในการปฏิบัติก็ดีความไม่ชอบในอารมณ์ข้างนอกก็ดีที่ทำจิตให้คุณเมื่อจิตคุณด้วยพยาบาทคือความไม่ชอบก็เป็นอันตรายของสมาธิข้อสาม ทีนามิทะความง่วงความท้อแท้ที่ทำให้จิตใจมึนซึมทำให้ร่างกายซึมเศร้าความง่วงวุนเคลือบเคลิม้มท้อแท้เหล่านี้เมื่อมีขึ้นก็ทำให้ใจและกายซึมเศร้าจึงเป็นอันตรายของสมาธิข้อสี่ อุเทจะกุกุจะความฝุ่งซ่านน่ารำคาญใจฟุ้งไปในอารมณ์ข้างนอกก็ดีฝุงไปเพราะปีติในผลของสมาธิก็ดีเรียกว่าความฝุ่งซ่านความรำคาญที่เจือความไม่ชอบทำให้รู้สึกอึดอัดและห ง, งุดหงิดเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้จิตเป็นสมาธิไม่ได้ จึงเป็นอันตรายของสมาธิข้อ5วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลสงสัยลังเลในเจตนาปฏิบัติของตนก็ดีในวิธีปฏิบัติก็ดีในผลที่จะพึงได้ก็ดีก็เป็นความสงสัยลังเลทั้งนั้นในเจตนาที่ปฏิบัตินั้นเช่นสงสัยว่า ควรจะปฏิบัติหรือไม่หรือจะทำไปเพื่ออะไรจะมีประโยชน์อะไรในวิธีปฏิบัตินั้นที่เป็นอันตรายเฉพาะหน้านั้นก็คือจะกำหนดให้แน่ลงไปในวิธีไหนในข้อไหนดังในวิธีปฏิบัติที่อธิบายมาแล้วหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิต ก็มีมากหลายข้อหลายประการจะใช้หมวดไหนถ้าสงสัยหยิบไม่ถูกก็เรียกว่าเป็นอันสงสัยในวิธีปฏิบัติทำใจให้สายเป็นสมาธิไม่ได้ในผลของการปฏิบัตินั้นคือการปฏิบัติจะมีผลอย่างไรหรือแม้ไม่สงสัยในผลแต่ก็ตั้งความหวังสงสัยว่า จะมีอะไรมาปรากฏบ้างจะเห็นอะไรบ้างมุ่งผลข้างหน้าสงสัยอยู่ในผลข้างหน้าสงสัยเหล่านี้ก็เป็นอันตรายของสมาธิฉะนั้นก็ต้องกำหนดดูว่าบัดนี้จิตของตนเป็นอย่างไรมีฉันทะอยู่ในอารมณ์ข้างนอกหรือว่ามีฉันทะ อยู่ในอารมณ์ของสมาธิบ้างแล้วถ้ายังมีฉันทะอยู่ในอารมณ์ข้างนอกมากฉันทะในอารมณ์ของสมาธิยังไม่มีก็ยากที่จะได้สมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการจะปฏิบัติในสมาธิก็ต้องพักฉันทะในอารมณ์ข้างนอกไว้มาพยายามปฏิบัติอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ ถึงฉันทะจะยังไม่เกิดก็ยังไม่เป็นไรเมื่อได้รับผลของสมาธิบ้างฉันทะในสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองตรวจดูใจว่าคุณมัวอยู่ด้วยความไม่ชอบหรือไม่ติดค้างอารมณ์ข้างนอกที่ไม่ชอบไว้บ้างหรือไม่ก่อความไม่ชอบขึ้นในการปฏิบัติไว้บ้างหรือไม่ถ้ารู้สึกว่ามีอยู่ ก็ต้องพยายามพักไว้พักอารมณ์ข้างนอกที่ไม่ชอบไว้และระงับความไม่ชอบในการปฏิบัติไว้เพราะเมื่อจะปฏิบัติแล้วก็ต้องพยายามระงับความไม่ชอบนั้นไว้ไม่ให้เกิดความลำเอียงเพราะไม่ชอบนั้นเมื่อปฏิบัติไปจนคุณของสมาธิปรากฏขึ้นความไม่ชอบก็จะสงบไป อันนี้ก็เหมือนกับไม่ชอบบุคคลหรืออารมณ์ข้างนอกก็เพราะเห็นแต่โทษของเขาไม่เห็นคุณเห็นคุณของเขาเมื่อใดความไม่ชอบก็จะสงบในการทำสมาธิก็เหมือนกันไม่ชอบสมาธิก็ในเมื่อคุณของสมาธิยังไม่ปรากฏเมื่อคุณของสมาธิปรากฏขึ้นความไม่ชอบก็สงบไปได้ คราวนี้เมื่อสงบฉันทะในอารมณ์ข้างนอกสงบความไม่ชอบในอารมณ์ข้างนอกหรือแม้ความไม่ชอบในอารมณ์ของสมาธิลงได้จิตสงบก็จะเกิดมีค่าสึกของความสงบขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือความง่วงง่วงกับสงบนี้ใกล้กันมากเพึงสังเกตเห็นได้ในเวลาที่ต้องทำความสงบ เช่นเวลานั่งฟังเทศก็มักจะเกิดง่วงขึ้นเพราะว่าจิตที่ไม่ได้อบรมนั้นมักจะมีลักษณะฟุง้งถ้าไม่ฟุ้งก็ง่วงเพราะฉะนั้นจึงต้องคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดความง่วงงุบงับแล้วก็ดับสติไปเสียความที่ดับสติลงไปเสียนั้นไม่ใช่สมาธิ สมาธินั้นจะต้องมีทั้งรู้ทั้งสติคือความระลึกสมาธิยิ่งละเอียดสัมปชานะคือตัวรู้กับสติก็ต้องละเอียดและปรากฏชัดขึ้นรู้กับสติชัดขึ้นเพียงใดสมาธิก็แนบแน่นขึ้นเพียงนั้นเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงไม่ได้มุ่งผลว่าต้องการให้ดับหายไปหมด วิธีที่จะแก้ง่วงก็คือต้องรู้ว่าทำไมจึงง่วงง่วงก็เพราะว่าเมื่อทำใจให้สงบนั้นก็ปล่อยตัวรู้ปล่อยสติเหมือนอย่างคนที่จะนอนหลับปล่อยตัวรู้ปล่อยสติแล้วก็หลับปล่อยลงไปเพราะฉะนั้นจึงปล่อยไม่ได้ปล่อยเมื่อใดก็เกิดความง่วง เมื่อนั้นต้องทำตัวรู้ไว้ให้เต็มที่ทาสติไว้ให้เต็มที่และเมื่อรู้เต็มตัวอยู่มีสติเต็มตัวอยู่ง่วงก็ไม่เกิดและถ้ารู้สึกง่วงก็ต้องแก้ด้วยวิธีดังกล่าวนี้ประกอบกับกำหนดให้เกิดแสงสว่างเหมือนอย่างเป็นกลางวันในจิตใจ คือให้มีตัวรู้สว่างมีสติความระลึกสว่างสวายอยู่จิต ก, ก็เบิกบานอยู่ด้วยสัมปชานะคือรู้ด้วยสติเต็มที่ไม่ใช่ริบรี่ลงไปเหมือนอย่างหรี่ตะเกียงในเวลาที่ทําความสงบถ้าหรีล่ลงไปลงไปเหมือนอย่างหรี่ตะเกียงก็หลับเท่านั้น และอย่าให้ฟุ้งซ่าในวิธีปฏิบัติเพราะทำให้จิตเป็นสมาธิไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องกำหนดอารมณ์ที่จะปฏิบัติลงไปเสียให้แน่เมื่อจะทำานาปานสติก็กำหนดานาปานสติไว้ให้แน่แต่ก็ให้รู้ทางของเวทนารู้ทางของจิตดังที่กล่าวมาแล้ว สำหรับที่จะคอยแก้ไม่ให้จิตเสียสมาธิและไม่บีบใจหรือเมื่อทำานาปานสติก็ไม่อัดใจคือทำให้ผิดปกติไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดความอึดอัดความรำคาญเมื่อได้ผลของสมาธิบ้างเช่นว่าได้ปีติได้สุขก็ปล่อยใจให้ยินดีตื่นเต้น เมื่อยินดีตื่นเต้นขึ้นก็เป็นฟุง้งเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยระ ง, งับความฟุ้งซ่านรำคาญใจดังกล่าวนี้ไว้และก็ต้องคอยระ ง, งับความเคลือบแคลงสงสัยด้วยการสันนิฐานลงไปให้แน่นอนในวิธีปฏิบัติของตนและไม่ต้องมุ่งผลข้างหน้าว่าจะเห็นอะไรบ้างจะปรากฏอะไรบ้างจะเป็นอะไร มุ่งทำใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิให้มีตัวรู้มีตัวสติให้บริบูรณ์สมาธิยิ่งละเอียดขึ้นเท่าใดก็ต้องมีตัวรู้มีตัวสติให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้นเมื่อมาคอยดูให้รู้จักตัวลักษณะหน้าตาของนิวรซึ่งคอยกั้นไม่ให้จิตเป็นสมาธิ ป้องกันนิวรณไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็ต้องพยายามระงรับเมื่อคอยระงรับนิวรณอยู่คอยป้องกันนิวรณอยู่ดังกล่าวมานี้สมาธิถึงจะก้าวหน้า4กันยายน2504